บรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยแห่งอสุภกรรมฐานคือการตั้งสติระลึกดูซากศพให้เห็นเป็นความปฏิกูลซึ่งทรงแสดงไว้ถึงสิบประการนั้นอันที่จริงเป็นการกำหนดแยกแยะ ตามลักษณะของซากศพเพื่อเป็นอุบายยปิธีบรรเทาราคะคือความกำหนัดประการหนึ่งและเพื่อให้เป็นอารมณ์ที่เหมาะสมแกจ่จดิตของบุคคลแต่ละคนอีกประการหนึ่งดังนั้นซากศพที่ทรงสอนให้พินิตพิจารณาจึงเปลี่ยนแปลงไปมากถึงสีประการ เช่นซากศพที่ขึ้นอืดแล้วคือตายไป1นวัน2วัน3วันซากศพที่มีสีเขียวปรากฏตามผิวหนังซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกมาซากศพที่แตกออกเป็นชิ้นชิ้นหรือแยกออกเป็นส่วน ซากศพที่ขาดสองท่อนซากศพที่กระจัดกระจายที่รายจุซากศพที่มีตัวนอนไหลอยู่ทั่วทั้งร่างกายซากศพที่มีเลือดไหลเจิงนองไปซากศพที่ยังเหลือแต่กระดูกซึ่งอารมณ์ของกรรมฐานแต่ละข้อนั้น เมื่อพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นการใช้น้มบ่งน้ำคือพิจารณาถึงพื้นฐานการกำหนัดการพอใจในรูปของบุคคลทั้งหลายที่ทรงแสดงโดยสรุปว่ามีอยู่สองประการด้วยกันประการแรกคือเป็นการถือโดยนิมิตได้แก่รูปชิ้นถือเช่นถือว่ารูปนั้นงาม สิ่งนั้นงามคือกำหนดไปทั้งชิ้นทั้งอันเลยโดยไม่เจาะเอาในส่วนใดส่วนหนึ่งอีประการหนึ่งเป็นการกำหนดความสวยงามในแต่ละจุดของร่างกายหรือของสิ่งนั้นๆเช่นอาจจะกำหนดเอาใบยวส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกายว่าเป็นของสวยงามและนำเรื่องเหล่านั้น มาสึกนึกเป็นการเพิ่มความกำหนัดขึ้นภายในจิตใจของตนจนบางครั้งยากแก่การที่จะสำรอกคือบำบัดความรู้สึกเหล่านั้นดังนั้นกรรมฐ า, านในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าก็ทรงแสดงมาโดยลำดับดังกล่าวแล้วแต่ถ้าหากว่าถึงจุดที่ยากแก่การคลายจริงๆก็ทรงสอนในรูปของ อสุภกรรมฐานซึ่งเป็นการเอาน้ำมาบ่งน้าเพื่อถ่ายทอนความพอใจทั้งโดยรวบถือและแยกถือรวบถือได้แก่ถือทั้งชินทั้งอันทั้งคนทั้งสัตว์แยกถือได้แก่ถือเอโดยส่วนๆเช่นซากศพที่พองขึ้นนั้นเป็นอารมณ์ที่เหมาะสมแก่คน ซึ่งกำหนดความสวยงามที่รูปร่างที่สวดส่งของสิ่งเหล่านั้นเพืยอสร้ากศพที่พรองขึ้นมันก็กลายเป็นอุบายวิธีที่จะน้อมนึกแยกแยะได้พอแท้ที่จริงสวดทรงสันฐานต่างๆที่มีการกาหนดหมายว่าสวยงามนั้นมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เองเพื่อสรากศพที่มีสีเขียวก็ตอกย้ำ ความคิดแก่คนที่ติดในผิวพันธ์ในความสวยงามต่างๆติดในผิวในสีของสิ่งนั้นเ <c oughs> มื่อมองดูก็จะเห็นว่าสีผิวทั้งหลายนั้นพราะจุดสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เอง <c oughs> คือจะมีสีเขียวครับในกรณีของซากศพที่เป็นท่อนเป็นชิ้นก็เหมาะสำหรับคนที่กำหนด ในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายว่าเป็นความสวยงามซึ่งการกําหนดในลักษณะนี้เมื่อไปเห็นศพเป็นชิ้นเป็นท่อนเช่นนั้นเาก็น้อมนึกเข้ามาหาสิ่งที่เคยกําหนดสิ่งที่เคยพอใจได้ส่วนซากศพที่ตัดเป็นท่อนก็มีลักษณะเสริมเช่นเดียวกันส่วนมากแล้วท่านบอกว่าศพที่ตัดขาดออกเป็นสองท่อน ถึงอาจจะถูกอะไรทับหรืออาจจะถูกคนทำอันตรายก็าตามแต่เอาเฉพาะที่ขาดสองท่อนก็เป็นการกระตุ้นเตือนความคิดของคนที่กำหนดความสวยงามของสวดส่งและความสวยงามของสัดส่วนบางอย่างของร่างกาย่าในที่สุดมันก็จบลงมาด้วยอาการอย่างนี้ส่วนซากศพที่ มีรอยแผลฝันเป็นอันมากส่วนมากจะถูกกาศึกษศัตรูทําอันตรายนั้นนั่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือการกําหนดส่วนหรือช่องว่างหรือสัดส่วนที่ปรากฏในร่างกายของคนไม่เหมือนกันก็ ม, นมาดูในชิ้นเหล่านั้นที่ถูกตัดออกซากศพที่ถูกสัตว์กัดออกมามีว้าวมีแหวงอยู่ในส่วนนั้นนัน่นก็เหมาะสมรับคนที่ ติดใจในส่วนว้าวส่วนแบ่งของอวัยวะของร่างกายซากศพที่มีตัวหนอนเข้าไปกัดกินจนตัวนอนเกลื่อนไปทั้งสักก็จะมองเห็นถึงความปฏิกูลในร่างกายที่มีความรู้สึกว่าของเราของเราแต่ที่จริงแล้วผู้ที่ศึกษากำหนดพินิจพิจารณาจะเห็นได้ว่า ในร่างกายของเราก็มี พ, กพวกอยู่เป็นนั้นมากมากกว่าเราอีกเช่นตัวพยาธ ต, ตัวหนอนตัวอะไรต่างๆอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็มีส่วนหนึ่งซึ่งมากกว่าสมควรก็กลายเป็นอาหารของพวกนั่นไปพอวิญญาณออกจากร่างเจ้าของเดิมก็ออกมาทีเดียวมากัดมากินมาชอนชัยไปในร่างกายต่างๆก็พิจารณาเห็นเป็นความปฏิกูลที่เกิดขึ้นในร่างกายของตน ร่างกายที่เป็นกระดูกส่วนมากก็เน้นไปที่คนซึ่งติดกระดูกเช่นพอใจในความสวยงามของฟันเป็นต้นเมื่อมาพิจารณาถึงกระดูกก็จะเห็นถึงความจริงว่าแท้ที่จริงความสวยงามที่มีการกำหนดการของฟันเป็นต้นนั้นมันก็คือกระดูกในลักษณะเหล่านี้เองซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติได้ใช้กรรมฐานให้เหมาะ แกจะดิดแกอัิยาสายของตนก็สามารถที่จะบันเทาความกาหนัดในรูปตนในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปได้ยันที่เคยกล่าวมาแล้วว่าคำว่าอสุภะนั้นทรงแสดงในลักษณะที่ออกจะแปลกโืยตามปกติแล้วก็หมายถึงการดู ก, กายของคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นกายที่เป็นเป็นหรือว่ากายที่ตายแล้ว แต่พอพูดถึงกายที่เป็นปนก็กลับหมายถึงกายของเราเองที่เรียกว่าอสุภสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นความไม่สวยความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายแล้วก็หมายถึงดูจากกายเราไปก่อนแต่พอเป็นอสุภกรรมฐานก็กลายเป็นเรื่องของซากศพดังที่กล่าวแล้วซึ่งกรรมฐานในลักษณะนี้มีชื่อนี้มีอารมณ์นี้บางครั้งก็เรียกว่ากายคตาสติ คือสติที่ตั้งระลึกดูอยู่ที่กายหรือว่าเป็นปฏิกูลได้แก่การแยกกายออกเป็น32ส่วนมีผมขนเป็นต้นแล้วก็มองในแง่ปฏิกูลแต่ว่าการมองนั้นมองในแนวเดียวกันทั้งหมดคือมองให้เห็นเป็นความปฏิกูลหน้าเกลียดเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสิ่ ง, งต่างๆร่างกายของบุคคลเราแม้กำลังดำรงชีวิตอยู่ ก็มีการไหลเข้าไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายไปจากช่องที่ปรากฏอยู่ในกายทั้งเก้าช่องด้วยกันทั้งหลาเข้าไห ล, หลออกนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นร่างกายจึงมีการหล่อเลี้ยงการดำรงอยู่และการเจริญเติบโตด้วยสิ่งปฏิกูลเมื่อมีการกำหนดการพินิจพิจารณาอยู่โดยในยะนี้ สิ่งที่เรียกว่าอุกกาหนิมิตคือนิมิตจิตตาก็จะบังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นผู้เจริญกรรมฐานต้องการจะพิจารณาซากศพที่กำลังพองขึ้นซึ่งเป็นอสุภะกรรมฐานข้อแรกถ้านั่งและอิรียาบททางหลายก็มีนยะดดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนการกำหนดนั้นสุดแล้วแต่ว่าจะกำหนดส่วนใดของ ซากศพเรนั้นแต่ต้องกาหนดโดยความเป็นซากอย่ากำหนดโดยความเป็นคนหรือเป็นสัตว์บาลีใช้คำว่าให้ถอนสัตว์สัญญาคือการกาหนดว่าคนว่าสัตว์ออกไปแต่ต้องกาหนดว่ามันเป็นซากของสิ่งที่เคยมีชีวิตแต่ในขณะนี้ก็ไม่มีชีวิตแล้วมีลักษณะเหมือนท่อนไม้ที่เขทิ้งอยู่ใครจะทำอะไรก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเจ็บปวด ถึงแม้จะไม่กำหนดอิริยาบถจะยืนจะเดินหรือจะนั่งก็ตามแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติแล้วท่านก็สอนให้นั่งคูบันหลังเช่นเดียวกันถ้าเป็นอิริยาบถนั่งท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอิริยาบถนั่งคูบันลังแบบเจริญนาปานสติกรมฐานนั้นจะทำให้การท ร, ทรงตัวดีแล้วไม่รู้สึกปวดเมื่อยในเวลารวดเร็ว การจเจริญกรรมาฐานจึงเป็นการเพ่งดูไม่ใช่หลบับตาแต่เป็นการลืมตาลืมตาเ พ, เพ่งดูโดยมนานสิการคือตั้งสติระลึกโดยกำหนดว่าซากศพที่กำลังพองขึ้นเป็นสิ่งปฏิกูลกำหนดไว้ในใจบางทีก็มีบริกรรมการบริกรรมนั้นจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็ได้ แต่ว่าถ้าบริการเป็นภาษาไทยมันก็เข้าใจได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษาไทยที่เราเข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเข้าใจบาลีก็บริกรรมตามรูปแบบของภาษาบาลีที่ท่านกําหนดไว้เช่นอุทกกะมาตะกังปฏิกูลังคือสรากศพที่พองขึ้นเป็นของปฏิกูลก็บริกรรมไปบริกรร ม, มาอย่างนี้ ซึ่งนั่นแสดงว่าบริกรรมกันเป็นร้อยครั้งพันครั้งหรือหมื่นครั้งก็ตามตาก็เพ่งดูที่ซากศพซึ่งในปัจจุบันก็หาซากศพเพ่งดูยากก็อาจจะน้อมนึกเอาในกรณีที่ต้องการจะเจริญกรรมฐานประเภทนี้เมื่อบริกรรมไปก็ทดลองหลับตาดูถ้าหลับตาดูมีแต่ความมืดก็เลืมตาดูต่อไป ปากก็บริกรรมหรือว่าใจกำหนดค่อยคาบริกรรมจะออกเสียงดังหรือไม่มีเสียงก็ได้แต่ข้อสาคัญว่าในการเจริญกรรมฐานข้อนี้ต้องไปคนเดียวไปหลายคนไม่ได้เมื่อบริกรรมไปบริกรรมไปอย่างนี้ภาพที่เพ่งดูนั่นเองจะเกิดติดตาขึ้นเรียกว่าอุกาห์นิมิตคือนิมิตที่ติดตา อุกกานิมิตนั้นหมายความว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็เห็นเหมือนกันไปเด็นซากศพตามที่ปรากฏหรืออารมณ์ของกรรมฐานตามที่ปรากฏเช่นบดูซากศพที่กำลังขึ้นอืดพองอยู่หรือซังซากศพที่มีผิวสีเขียวคล้ำมันก็จะเป็นภาพในลักษณะนั้นแต่ในช่วงนี้เองการปฏิบัติพอถึงอุกกานิมิตเนี่ยก็มักจะมีปัญหาในการปฏิบัติ พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนแก่คนทั่วไปเพราะว่าเกเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์น่ากลัวหรือบางครั้งซากศพที่เห็นด้วยอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งใช้คำว่าอุกานิมิตเปลว่านิมิตที่ติดตานั้นมันจะลุกขึ้นได้ขยับก็ยื่นได้เนื้อจะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเดินเข้าไปมาหาเราหรือเดินไปที่ใดก็ได้ตอนนี้ถ้าหากว่า บุคคลที่มีพื้นขาดกลัวก็จะขวัญกระเจิงตกใจหนีไปได้ดังนั้นในที่นี้ถ้าหากว่าเกิดเช่นนั้นขึ้นมาท่านก็สอนให้มนัสสิการคือทำไว้ในใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นซากเท่านั้นเป็นซากที่ตายไปแล้วเปื่อยน่าไปแล้วเช่นนี้จะลุกขึ้นไม่ได้ก้อนอิฐก้อนหินก้อนกรวดท่อนไม้ จะลุกขึ้นโดยลําพังตัวเองไม่ได้จันใดซากศพเหล่านี้จะลุกขึ้นโดยลําพังตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่สิ่งจริงแต่เป็นมายาเป็นจะเป็นภาพดวงตาเท่านั้นแล้วก็ทําใจของต น, นให้สงบเพ่งพินิษพิจารณาดูที่นิมิตหรือที่ซากศพนั้นไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้จะหลับตาหรือดื่มตาก็เห็นเหมือนกันแล้ว ท่านก็นิยมนั่งหลับตาเพื่อกำหนดพินิษพิจารณาเนื่องจากภาพที่หลับตานั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภาพที่ลืมตาอยู่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นภาพที่หลับตาอาจจะเป็นซากศพที่พองขึ้นตามใจน้อมนึกของเราบางครั้งก็กลายเป็นน้ำเหลืองที่ไหลเยิ้มออกมาจากร่างกายมันก็กลายไปเป็นอนสุภะในส่วนนึ่นดได้ แต่ไม่จิตใจของบุคคลที่ไม่มีพื้นความหวาดกลัวมีความสงบอยู่ในท่าศพนั้นเมื่อดูไปดูไปโดยอาศัยนิมิตที่ปรากฏคือกรรมฐานข้อ น, นี้มีวิตกคือความตรึกเป็นหลักถ้าขาดความตรึกแล้วจิตจะห่างจากกรรมฐานทันทีเพราะว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานที่น่ากลัวดังกล่าว และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือเพื่อนจิตของเรานั้นมีราคะมากมีตัณหาอยู่มากแกมักจะกระตุกกลับไปสู่อำนาจของแกการวิตกหรือความตรึกถึงอารมณ์ของกรรมาฐานจึงต้องมีการกระทำที่สืบเนื่องเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้แกจิตใจเพื่อให้กําหนดระลึกอยู่ที่นิมิตของกรรมาฐานเหล่านั้นให้ได้ เมื่อจเจริญไปจเจริญไปกำหนดระ ล, ลึกไปจะถึงจุดเด่งที่เรียกว่าเป็นปฏิภา ค, คนิมิตซึ่งตามปกติก็แปลว่า น, นิมิตเทียบเคียงแต่ปฏิภาคนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นแก่อสุภะกรรมฐานไม่ว่าข้อใดก็ตามจะไม่ใช่มีรูปแบบกับปฏิภาคนิมิตของกริสิน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในตัวอารมณ์หรือตัวนิมิตของกรรมฐานในขณะที่นิมิตตาปรากฏเป็นรูปของซากศพที่พองขึ้นสําหรับอสุภกรรมฐานข้อแรกพอถึงปฏิภาคการ น, นิมิตซากศพจะกลับเป็นร่างกายที่ปกติเหมือนกับคนนอนหลับอยู่แต่อย่าลืมว่าในกรณีนี้ในอารมณ์อย่างนี้เป็นสมาธิไปแล้ว ราคะหรือการมันฉันความกำหนัดยินดีก็สงบพยาบาทก็สงบอยู่แต่ไม่ได้หมายความมากิเลสหมดเป็นเรื่องของความสงบเท่านั้นที่นมิทาความกงเหงาหานอนต่างๆก็สงบอุตจักขุกุจจะ ก, ก็สงบจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่จะหักเหออกไป จึงมีได้ยากแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีไม่ได้เพราะถ้าหากว่าความสงบนั้นเป็นความสงบที่ไม่เป็นสมาธิระดับที่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือสมาธิที่แน่แน่พอเห็นเป็นซากเป็นรูปปฏิภาคนิมิตที่อยู่ในสภาพเดิมเหมือนคนนอนหลับจิตมันก็จะเปลี่ยนได้ดังนั้นในชั้นนี้ท่านจึงให้ กำหนดระลึกจนเกิดความสงบไปถึงระดับของฌานที่เรียกว่าปฐุมฌานเนื่องจากอารมณ์คือสุขกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ที่น่ากลัวดังกล่าวแล้วแล้วก็มีสิ่งที่กระตุกอยู่อย่างแรงคือพวกราคะตัณหาความสงบที่คืบคลานมาจนถึงระดับอัปปนาคือแน่แน่ก็สามารถที่จะเป็นบาท คือเป็นพื้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือยกนามรูปขึ้นพิจารณาให้เห็นตามประจัยรักได้แต่สิ่งที่เรียกวันนิมิตตาและนิมิตเทียบเคียงที่ปรากฏในอารมณ์ส่วนอื่นเช่นว่าซากศพที่ถูกเขาตัดเป็นต้นก็จะไม่เหมือนกับซากศพตหล่นั้นคือบางครั้งจะมีลักษณะเหมือน กับ แ, แผนผ้าที่มันปลิวอยู่บนยอดธงบางครั้งก็จะปรากฏเป็นภาพสายที่สวยงามเหมือนกันซึ่งท่านี้ทั้งนั้นก็มีส่วนของอุปนิสัยบารมีของคนเข้าไปเป็นปัจจัยสนับสนุนด้วยการเจริญกรรมาฐานในส่วนนี้จึงมุ่งที่จะบรรเทาราคะจริตหรือว่าตัณหาจริตที่เกิดขึ้น ในกายตนและกายบุคคลอื่นไม่จะมีการกําหนดหมายกายตนและกายบุคคลอื่นว่าเป็นของสวยของงามจิตจะกําหนัดจะเพลิดเพลินจะยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านี้สูญเสียเวลาไปในเรื่องเหล่านี้เป็นอันมากในแต่ละวันบางครั้งก็หมกมุ่นคลุ่นคิดอยู่ในเรื่องเหล่านี้แม้ น, นยามหลับก็อาจจะฝันถึงเรื่องในลักษณะนี้ ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มเชื้อของราคะอยู่ร่งไปการที่ดึงใจของตนออกมาลึกดูความจริงที่ปรากฏแก่ร่างกายของคนอื่นและพิจารณาให้เห็นถึงความปฏิกูลในซากศพเราเนั้นเมื่อเห็นแล้วก็น้อมนึกเข้ามาหาตนน้อมตนไปหาซากศพ น, น้อมซากศพมาหาตนก็จะมองเห็นเป็นความ เป็นนันหนึ่งงันเดียวกันของตนและซากศพก็เป็นแต่เพียงว่าเราเป็นศพเป็นเขาเป็นศพตายทานั้นเองแต่ทุกฝ่ายจะต้องจบลงด้วยความเป็นศพเือนกันการกำหนดพินิจพิจารณาในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเอาก็ะจริงๆแล้วย่างยกตัวอย่างเช่นพิจารณาสุภาษกรรมฐานข้อสุดท้าย คือมองดูที่กระดูกพิจารณาเห็นเป็นร่างกระดูกเพื่อสำรับความกำหนัดความพอใจในคนที่พอใจในกระดูกเช่นฟัน ง, งามเป็นต้นมาเมื่อมนสษการ์ท่กรรมฐานส่วนนี้อยู่บ่อยๆมันจะมองเห็นคนอื่นเป็นร่างกระดูกไปด้วยก็เป็นการตัดสั ต, ต์สัญญาคือการกาหนดหมายว่าสัตว์ว่าคนออกไปก็เห็นแต่ร่างกระดูกความกาหนัดยินดีอะไรก็ไม่มี ถึงแม้ว่าละกกิเลสไม่ได้แต่ว่ารักษาอารมณ์เอาไว้ได้อย่างท่านเล่าถึงพระเทระรูปหนึ่งมานสิการกรรมฐานข้อนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าธีกะสัญญาหรือกำหนดพิจารณาเห็นเป็นรูปเป็นร่างของกระดูกดูตัวเองก็เป็นร่างของกระดูกที่เดินได้แล้วท่านมานัสิการอย่างนั้น เดินมานาศสิการกรรมาฐานก็มีสตรีผู้หนึ่งทะเลาะกับสามีเดินตัดหน้าท่านไปเห็นท่านก้มไม่ยอมดูอะไรแกก็หัวเราะพระก็เงยหน้าขึ้นด้วยเสียงด้วยการได้ยินเสียงแต่เนื่องจากท่านมานาสิการถึงกระดูกแล้วก็มองเห็นเป็นร่างกระดูกเดินไป ต่อมาท่านก็หยุดบราณิการกรรมฐานสามีของผู้หญิงก็ตามมาบอกว่าพระคุณเจ้าเห็นสตีเดินผ่านไปทางนี้บ้างไหมท่านบอกว่าไม่รู้สตีหรือปุรุษมีร่างกระดูกร่างหนึ่งเดินไปนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของกรรมฐานที่บุคคลกาหนดลึกนั้นมันจะมีลักษณะเหมือนหนังสือที่เราเรียนเราอ่าน มีการเก็บมีการสะสมไว้เราคอยเหตุเราคอยปัจจัยที่เสริมส่งให้เกิดเป็นความรู้ความเห็นความสงบขึ้นมาแม้ว่าการนั่งในแต่ละครั้งแต่ละคราวอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นแท้ที่จริงมันเกิดแต่เกิดจุดน้อยไม่พอที่จะสำแดงพฤติกรรมอะไรออกมาได้แต่เมื่อมีการกระทามีการกาหนดพินิจพิจารณการประพฤติอยู่บ่อย ไอสิ่งที่เก็บสะสมไว้ก็มากแล้วพร้อมที่จะสัมเดงออกมาเมื่อถึงคราวที่จะใช้เหมือนวิชาความรู้ที่เก็บสะสมไว้บางครั้งก็ดูเหมือนกับจะไม่รู้อะไรแต่พอมีสิ่งกระตุ้นมาจากภายนอกถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เคยเก็บเคยสะสมไว้ก็จะรู้จะก็จะเข้าใจถึงการวินิจฉัยตัดสินได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรดีหรือชั่วเป็นต้น อสุภกรรมาฐานทั้งสิบประการนี้มีอารมณ์ที่ใกล้ต่อความขาดความกลัวความสะดุ้งแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยในด้านการบรรเทาความกำหนัดความจินดีลงไปได้มากในการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วไปถึงแม้จะไม่ถึงกับไปเอจริงจังในลักษณะนั้น เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆไม่อำนวยให้แต่บุคคลสามารถที่จะน้อมนึกคือระลึกอยู่เสมอเช่นยกตัวอย่างว่าในชีวิตประจำวันของตนเวลาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเช่นอาจจะเห็นซากสัตว์ซึ่งขึ้นอืดพองก็มนานัิการถึงกรรมฐานไปเห็นซากคนซากสัตว์ที่เกิอดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่าด้วยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้แต่เห็นตามภาพพยนต์ก็สามารถที่จะมานัติกาน้อมนึกให้เห็นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานไว้ได้แน่นอนไม่ถึงกับจะเป็นรูปแบบของกรรมฐานที่เต็มรูปแต่สิ่งนั้นก็คือเชื้อคือปรมีคือตัวปัญญาตัวความสงบ ท, ที่ได้เก็บได้สะสมไว้บ่อยๆมันจะกลายเป็นอุปนิสัยปัจจัย ที่จะช่วยให้เกิดสติรู้ทันเวลาประสบกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งในชีวิตประจําวันของบุคคลทั้งหลายก็พบภาพพบอารมณ์เหล่านี้อยู่เป็นนั้นมากเช่นว่าอาจจะอาศัยรูปภาพตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือภาพต่างๆเข้ามาระลึกเป็นอารมณ์ของกรรมฐานส่วนนี้ได้แม้กรรมฐานหลักจะเป็นนาปานสติแต่ถ้ามีการเสริมด้วยอสุภกรรมฐาน กรรฐานทั้งหมดก็ก็จะเสริมส่งกันเองก็คล้ายๆกับหนังสืออ่านเล่นหนังสือพิมพ์หนังสือธรรมะหนังสือทั่วๆไปเป็นคนอ่านกันแต่ว่าพอเรียนหนังสือใดหนังสือหนึ่งมันจะมีการเสริมกันจะมีพื้นฐานในด้านหนังสือธรรมะไปอ่านหนังสือนวนิยายอ่านเล่นข้าวก็มองเห็นเป็นธรรมะขึ้นมาได้หรือว่าหนังสือวิชาการต่างๆ แล้วกลับมาอ่านหนังสืออื่นก็เชื่อมโยงเข้าหาหนังสือวิชาการเหล่านั้นได้เป็นต้นกรรมาฐานทั้งหลายถึงแม้ว่าจะทรงแสดงไว้โดยอเนกกระปริยยยแต่ในการปฏิบัติก็เจาะจงเลือกปฏิบัติตามอัธยาศัยตามสิ่งที่เป็นสัปพายะของตนและที่สำคัญว่าเมื่อโอกาสบางอย่างอํานวยให้บุคคลก็อาจจะมานักสิกาถึงกรรมาฐานที่ตนไม่เคยประพฤติก็ได้เพราะนั้นก็ คือการเพิ่มเชื้อสนับสนุนให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้ยิ่งความเป็นจริงในสังขารธรรมทั้งหลายดังนั้นกรรมฐานจึงทรงสแสดงว่าเป็นภาเวตปธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติต่อเทนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป